ก็ได้พูดถึงความทุกข์ของผู้คนในปัจจุบันว่าที่ทุกข์กายน้อยนะส่วนใหญ่ก็ทุกข์ใจและที่ทุกข์ใจนี่ก็ไม่ได้เป็นเพราะสิ่งภายนอกมากเท่ากับเป็นเพราะใจของตัวก็คือความคิดทุกข์เพราะความคิด ไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตบ้างไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันหรือว่าคิดปรุงแต่งไปในทางรบทางตีความสิ่งที่เห็นไปในแง่ร้ายหรือว่าคาดการไปในทางที่กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดความเกลียดความโกรธความกลัวขึ้นรวมทั้งการชอบคิดเปรียบเทียบกับคนที่เขามีมากกว่ามีดีกว่า อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ที่จริงแล้วนี่นอกจากทุกพรความคิดแล้วยังทุกเพราะความรู้สึกทุกพระความรู้สึกที่ต่อต้านปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันแล้วไม่ยอมรับ แต่ว่าปฏิเสธผักใส่ใจที่ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก่อให้เกิดความทุกข์ยิ่งกว่าตัวสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นอากาศร้อนหรือว่าความหนาวเนี่ยที่จริงมันก็ทําให้เกิดความทุกข์กายนะเกิดทุกขเวทนา แต่ว่ามันไม่ทําให้เกิดความทุกข์ได้มากเท่ากับใจที่ต่อต้านปฏิเสธไม่ยอมรับเวลาเงินหายโทรศัพท์หายคอมพิวเตอร์หายมันก็ไม่ทําให้เกิดความทุกข์ได้เท่ากับใจที่ไม่ยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น เงินหายของหายก็ไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกข์ใจนะแต่พอใจไม่ยอมรับเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจทันทีในที่จะเสียแต่เงินก็เสียใจอันนี้พอเสียใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะ บางทีก็ทำให้ไม่มีสมาธิกับงานอย่างมีบางคนบอกว่าถูกให้เพื่อนยืมเงินไปก็เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยแล้วก็เขาทำท่าจะไม่คืนก็ทั้งเสียใจยทั้งโมโหก็เวลาทำงานก็ไม่มีสมาธิคุ้นคิดนึกเสียดายแต่ เงินที่ทํเท่าจะถูกโกงไปครั้นี้มันไม่ใช่แค่งานเสียเท่านั้นนะถ้าเอาแต่คุณคิดด้วยความเสียดายไม่ยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นความเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับครา้ น, นี้สุขภาพก็เสียด้วยเสียงานแล้วเสียสุขภาพแล้วครั้นี้ไม่พอพออารมณ์เสีย ก็อาจจะระบายความเครียดใส่คนอื่นคนใกล้ตัวระบายใส่ลูกระบายใส่เพื่อน <c oughs> เขาไม่รู้อีโนโอีเนอะไรอาจจะเข้ามาผิดจังหวะหรือว่าพูดไม่ถูกหูเนื่องจากมีความเครียดสะสมอยู่แล้วก็ระบายว่าเขาเสียใ ห, หายก็เลยโกรธกัน ที่จริงไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะเขาพูดผิดโฟหรอกแต่เป็นเพราะว่ามันมีความทุกข์ใจเนื่องจากไอการถูกเพื่อนเขาโกงเงินไปก็เลยกลายเป็นว่าเสียเงินอย่างเดียวไม่พอนะไอเสียเงินยังไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่าเพราะว่าไอที่เราคิดว่าเขาเบี้ยวเขาโกงนี่ก็อาจจะเป็นการสรุปทึกทักของเราเองด่วนสรุปเกินไปเร็วเกินไป แต่สมมุติวเสียเงินแทนที่จะเสียเงินอย่างเดียวพอใจไม่ยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันก็เลยเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียการแล้วก็เสียความสัมพันธ์เนี่เห็นได้ว่าเนี่ยเพียงแค่ใจไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ ตามมาอีกหลายอย่างถึงบอกว่าเสียเงินไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าใจที่ไม่ยอมรับต่อการที่เสียเงินต่างหากเนี่ยคือปัญหามากกว่าผู้ยานี้คือว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยแม้จะแยนะ่แต่ว่ามันก็ไม่แย่เท่ากับใจที่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้น มีคนสองคนนะคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะแต่ว่าเขายอมรับได้นะกับโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นไม่ตีโพยตีพายไม่บ่นโอดโอยก็เลยจ่ายเป็นปกติได้อีกคนหนึ่งสุขภาพดีไม่มีกินมีใช้ งานการก็ดีแต่ว่าเพียงแค่หน้ามีสิวไม่กี่เม็ดใจยอมรับไม่ได้ที่หน้ามีสิวเพราะคุณคิดกังวลเวลาส่องกระจกก็มีความหงุดหงิดไม่พอใจกับสิ่งที่เห็นและคนนี้นี่กลับทุกข์มากกว่าคนแรกได้ซ้ำทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนแรกนี่มัน น่าจะหนักหนาสาหัสกว่าคนที่สองจากคนแรกนี่เขายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขาก็เลยกินได้นอนหลับยิ้มได้ส่วนคนที่สองเนี่ยยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แม้เป็นเพียงแค่สิ่งน้อยนิดก็เลยเป็นทุกข์กุกมห อ, อกกุมใจที่ถึงกับคิดฆ่าตัวตายก็มีเพราะรู้สึกอับอายขายหน้า แ้ในใจที่ไม่ยอมรับใจที่ปฏิเสธกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันคือต้นเหตุหรือที่มาของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากมายมันมีหลายเหตุผลที่ทำให้คนเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีความคาดหวังว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นกับฉัน ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เป็นคนธรรมะธรรมโมชอบทำบุญทำกุศลก็ทำมาตั้งแต่ยังหนุ่มด้วยความเชื่อว่าการทำบุญทำกุศลเข้าวัดเข้าวานี้มันจะช่วยทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีความสุขความเจริญมีอายุวันน่าสุขภัแลแะเวานึ่งเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็ง ยอมรับไม่ได้เลยกรรู้สึกโกรธทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันทําดีแต่ไม่ได้ดีนอกจากเสียใจนอกจากอดโอยไม่รู้จบแล้วนี่ก็ยังรู้สึกโกรธแค้นเหมือนกับว่าถูกหลอกถูกหลอกให้ทําดีไหนว่าบุญไหนว่าธรรมะจะคุ้มครองฉันไงละ่ะแล้วทไมฉันเป็นบะเลงไอ้คนที่ไม่ไม่รักษาศีล กินเหล้ามันยังมีสุขภาพดีไอพวกที่รักขโมยคอร์รัปชันทำไมมันไม่เป็นมะเร็งนะแต่ว่าฉันทําความดีมาตลอดถึงเป็นมะเร็งยอมรับไม่ได้แล้วมีความทุกข์มาก ก, ากราดเกลียวไม่ใช่กราดเกลียวชะตาการมปนกราดเกลียวต่อคนที่อยู่รอบตัวทั้งหมอทั้งพยาบาลหาความสงบไม่ได้เลยแม้กระทั่งตอน ใกล้จะตายก็ทุรนทุรายอันนี้พอแล้วเพราะทําใจยอมรับไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าไอ้ความปวดจากมะเร็งนะไอ้ความปวดมะเร็งนี่มันเป็นทุกขเวทนาทางกายแต่ว่ามันไม่หนักหนาเท่ากับความรู้สึกทุกขใจทุกขใจเพราะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวไม่ได้ว่าทําไมทําความดีรักษาศีลดึงต้องมาเจอแบบนี้ คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะก็ไม่ใช่คนธรรมะธรรมโมนะจะเป็นคนรักษาสุขภาพกินอาหารธรรมชาติโดยเพราะอาหารชีวจิตออกกำลังกายเป็นประจำไม่สูบบุหรี่ไม่ ก, กินเหล้าแล้วก็รวมทั้งนะวิตามินยาทั้งหลายนะที่เขาว่าป้องกันมะเร็งเจนยาต้านอนุมูลอิสระก็นะไปควนควายหามา ส า, ายนะที่มันช่วยต่อต้านมะเร็งได้ก็ไปซื้อมาราคาแพงๆแล้วนืพ่อตัวเองเป็นมะเร็งก็จะมีปฏิกิริยาค่ายคนแรกนะโกรธโมโหว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นนะก็เจ็บปวดมากนะรู้สึกผิดหวังอย่างแรง ทุรนทุรายก้าวร้าวต่อผู้คนรอบข้างก็เช่นเดียวกันที่คนแรกนะคือว่าเขาก็ในสุกตายไม่สงบที่ตายไม่สงบไม่ใช่เพราะไอ้ความเจ็บปวดของมะเร็งแต่เป็นเพราะใจที่มันไม่ยอมรับ ก, กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นชั้นได้ยังไงนะนที่ไม่ยอมรับเพราะอะไรเรามีความคาดหวังว่าถ้า กินหาสุขภาพใช้ชีวิตนะถูกต้องนะมันต้องไม่เป็นอะไรต้องคล้วคลาดปลอดภัยในการที่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้นี่มันก็เลยทำให้ทุกข์ใจและทุกข์ใจมันก็ไปซ้ำเติมความทุกข์กาให้หนักหนามากขึ้นนะเรื่องนี้ต่างกับคนบางคนที่เขา พอเขาเป็นมเร็งแล้วเขาก็ยอมรับได้ทั้งที่เป็นมดร็งที่รุนแรงน่ากลัวน่าเ ก, กลียดอย่างหมอคนหน่งอไปเจอคนไข้คนหนึ่งก่อนเจอเขาก็ได้ทราบคนไข้คนนี้เป็นมดลิงที่ใบหน้ามะเร็งก็กัดกัดใบหน้าจนเป็นจนเป็นแผลรูใหญนะ่ทั้งแก้มทั้งปากนี่หายไป แล้วคนที่เป็นมะเร็งแบบนี้นี่มีโอกาสที่ค่าตัวตายสูงมากในอเมริกานี่ค่าตัวตายถึง25เ์เพราะมันทั้งเจ็บปวดนทั้งอับอายขายหน้าไม่สามารถจะไม่กล้าไปเจอหน้าผู้คนแผมก็เหม็นด้วยคนไม่อยากเข้าหารังเกียรหมอเวลาลูวจะไปเจอคนไข้คนนี้ก็หนักใจเพราะว่าเป็นคนไข้ที่ น่าจะลำบากในการให้คำแนะนำแต่พอไปถึงคนไข้เขากลับโอภาปาศราีน่ต้อนรับเหมือนคนปกติเพียงแต่พูดไม่ค่อยถนัดจะ ต, ต้องอยู่ในบ้านที่มันปิดมืดมืดทึบเพราะว่าเจอแสงไม่ได้มันมันไประคายสายตามากเพราะาประสาทตาเริ่มแย่ก็แปลกใจทาไม คนไข้คนนี้เขาไม่ได้มีความกลายเรียวเหมือนกับคนทั่วๆไปที่เป็นมะเร็งแบบนี้หรือว่าเป็นมะเร็งที่น้อยกว่า น, นี้แล้วได้คุยไปคุยมาเขาก็เล่าว่าเขาเป็นแต่ก่อนนั้นเขาก็ตอนเป็นมุมก็เสพเล่ play, กินเหล้าสูบบุหรี่นะเอาแต่เที่ยวมีครอบครัวมีลูกก็ปรากว่าแตกแยกลูกก็ไปอยู่กับแม่ เขาก็เล่านะความหลังด้วยความรู้สึกว่ายอมรับได้ว่าเพอเหตุ น, นี้แหละที่เป็นมะเร็งนี่ก็เพราะใช้ชีวิตแบบนี้แหละในใจของสัวมันสมควรแล้วนะสมควรแล้วต้องมาเป็นมะเร็งแบบนี้เพราะใช้ชีวิตแบบายแย่มากแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้เขาสงบได้นะเหตุผลสำคัญคือว่าเขาบอกว่าเขา คือเขาเปิดดู CNN ตลอดเวลาพออยู่ในบ้านไปไหนไม่ได้ก็เลยเปิดแต่ CNN ดูข่าวพอเปิด CNN วันแล้ววันเล่าก็เลยได้เห็นว่าเออคนเรานี่ไม่ว่าใครไม่ว่าเชื้อชาติภาษาใดมันล้วนแต่มีความทุกข์บางคนก็ตายเพราะแผ่นดินไหวบางคนก็ตายเพราะไฟไหม้บางคนก็พิการเพราะน้ําท่วมหรือว่าเจ็บปวด นะเพราะว่าโรคระบาดนะคนเราก็เ่มแต่มีความทุกข์ทั้งนั้นก็ก็เห็นที่เรน้อยทีละน้อยว่าความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาไอ้ความทุกข์ของเขาก็เป็นส่วนของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโลกมนุษย์นะแล้วก็ยังได้เห็นว่าโอบางคนทุกข์กับข้าวเสกนะก็เลยยอมรับได้เกิดเห็นธรรมขึ้นมานะจาก CN ีนอ็นนี้ก็แปล บางคนเห็นทำรู้ทำนะยอมรับความจริงจากธรรมะแต่นี้เขาไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะนะแต่ว่าเขาเรียนรู้นะจากข่าวบางคนดูข่าวไม่ได้เกิดความรู้เลยทางธรรมะนะแตนะ่ผู้ชาานี่แกเกิดเข้าใจธรรมะขึ้นมาเข้าใจธรรมะแบบพื้นฐานว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาก็เลยทําให้ยอมรับไม่ความเจ็บป่วยได้ ไม่ทุรนทุรายทั้งที่รู้ว่ามีเวลาอยู่แค่ 4-6 ถึงเดือนหมอพยากรแต่ว่ามีความมุ่งมั่นว่าจะรักษาชีวิตให้นานที่สุดเปื่ได้มีโอกาสอยู่กับลูกได้นานๆเริ่มสำนึกผิดก็พอก็อยู่ได้นานเป็นปีแล้วก็ไม่ได้ทุรนทุรายเหมือนกับสองคนแรกคนนึงเข้าวัดนะทบุญทากุศลแต่ว่าตายแบบทุรนทุรายอยีกคนนึง เที่ยวเตะแล้วก็มาเป็นมะเร็งร้ายแต่ว่าไม่ทุรนทุรายทั้งในายามที่ป่วยหนักแล้วในเวลาจะตายอันนี้ก็ดูเหมือนไม่เป็นธรรมนะเข้าหาธรรมะแต่ว่าทําไมทรมานอีกคนหนึ่งเที่ยวสำเภาเทมาแแต่ว่าตายสงบที่จริงมันก็ขึ้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะทีเดียวนะมันเกี่ยวกับว่าใจยอมรับได้หรือเปล่า บางทีเข้าหาธรรมะเข้าหาบุญกุศลแต่ว่าปฏิบัติทำทำบุญแต่วางใจไม่ถูกนะทําไปด้วยความคาดหวังคาดหวังว่าต้องมีลาดยศสุขสารเสริญพอเจอพอมีความขัดแยบบ้แบบนี้เนี่ยพอป่วยเขาก็ยอมรับไม่ได้อันนี้จะเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ถูกก็ได้ที่คนหนึ่งอาจจะห่างธรรมะนะแต่ว่าในสุดก็ได้เรียรู้ ธรรมะพื้นฐานจากชีวิตจากสิ่งที่เห็นทางโทรทัศน์ก็ยอมรับความจริงได้นั้นจึงบอกว่าทุกอะไรเกิดขึ้นกับเรานี่มันไม่ไม่แย่เท่าไม่สําคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรเรื่องเล็กๆ น, น้อยถ้ายอมรับไม่ได้นี่มันทรมานนะแต่ถ้าเจอเรื่องใหญ่ๆ แต่ใจยอมรับได้นี้ใจก็กลับสงบได้ในสายพุทธกาลนี่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนางกีสาคตมีเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากแล้วก็เป็นคนที่จะเรียกว่าไฝ่ธรรมก็ได้แต่วันหนึ่งลูกคนเล็กนะลูกคนเดียวอายุ3ขวบ4ี่ขวบท่าน่ากำลังน่ารักตายขึ้นมาเธอยอมรับไม่ได้นะ ยอมรับไม่ได้ก็หลอกตัวเองว่าลูกเนี่ยสามารถจะฟื้นขึ้นมาได้ก็เลยไปหาให้ใครต่อใครช่วยรักษาช่วยให้ลูกฟื้นขึ้นมาทุกคนก็ปฏิเสธเธอก็ไม่ยอมนะใจนึ่งนี่ก็ทุกทรมานมากใจหนึ่งก็มีความหวังเป็นความหวังวมลมแรงๆก็เลยไปก็มีคนแนะนําว่าให้มาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเจอคนที่มีความทุกข์แบบนี้ คนที่ปฏิเสธความจริงแบบนี้ <c oughs> ก็รู้ว่าสอนธรรมะไม่ได้ผลใจไม่เปิดรับ <c oughs> ก็เลยแทนที่จะสอนให้เห็นว่าธรรมะความตายเป็นเรื่องธรรมดาเกิด <c oughs> แล้วก็ต้องมีแก่ต้องเจ็บต้องตายก็โป่งไม่ไม่สอนเลยจะกลับพูดว่าเนี่ยโป่งรักษาได้ถ้าหากว่าเธอหายาถ้าเธอหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายมาได้เนี่ยก็จะทําทมาปรุงเป็นยารักษาทําให้รูฟื้นขึ้นมาได้ นางก็ดีใจก็ไปเข้าไปในหมู่บ้านไปบ้านนั้นบ้านนี้ทุกบ้านก็มีไม่ประกาศแต่ว่าทุกบ้านก็มีคนตายเพราะสมัยก่อนคนตายกันที่บ้านบ้านนี้ลูกตายบ้านนี้ผัวตายบ้านนี้พ่อตายบ้านนี้ตาตายทุกบ้านมีคนตายทั้งนั้นเจอแล้วน้อยเแล้วเธอก็ยอมรับได้เออลูกตายแล้วพราะลูกตายแล้วในความทุกข์นี่มันหมดไปเลยนะ มันหมดไปจากใจแล้วก็เอาลูกไปฝังเสร็จแล้วก็กลับไปกราบพระพุทธเจ้าคราวนี้แหละพระองค์แสดงธรรมแล้วเพราะว่านางเริ่มเปิดใจแล้วแสดงธรรมว่าเนี่ยความตายยอมอนำน้ำป่าพัดพาผู้ที่หลับไหลชั้นใดนะความตายก็ยอมพัดพาคนที่ติดใน ลูกเมียสามีทรัพย์สมบัติฉันนั้นพอพูดเท่านี้แหละนางก็บรรลุธรรมเลยนะเป็นพระโสดาบันนี่เป็นตัวอย่างคนที่ทุกข์เพราะใจที่ไม่ยอมรับใจที่ปฏิเสธความตายของลูกนี่ไม่ได้หนักหนาร้ายแรงเท่ากับใจที่ไม่ยอมรับแต่พอยอมรับได้นะปรากฏว่า จิตใจก็สามารถที่จะเปิดรับธรรมะจนกระทั่งได้พัฒนาเป็นประริยาเจ้าได้ที่ยอมรับได้ก็เพราะเห็นคนมนตนคนนี้เขาก็มีความทุกข์เหมือนกันเขาก็สูญเสียเหมือนกันก็คงล้ายกับผู้ชายคนที่ว่าเป็นบระเร็งแล้วก็เปิด CNN ดูก็เห็นคนมีความทุกข์กันมากมายก็เลยยอมรับความทุกข์ของตัวเองได้ เวลาเราเจออะไรที่มากระทบเจอเหตุร้ายขึ้นมาไม่ว่ากับร่างกายของเรากับทรัพย์สินเงินทองของเรากับการงานของเราหรือว่ากับคนที่เรารักกับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยให้ตั้งสติให้ดีให้เราลึกว่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจของเราว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรถ้ารู้สึกปฏิเสธไม่ยอมรับมัน นั่นแหละมันจะทำให้ทุกยิ่งกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วซะอีกฉั้นตั้งหลักให้ดีแล้วก็ลองทำใจให้ยอมรับมันอันนี้ไม่ใช่เฉพาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกตัวเราทั้งนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราก็เหมือนกันเวลาเราทำสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมบางครั้งก็มีความฟุ้งซ่านบางครั้งก็มี ความหงุดหงิดบางครั้งก็มีความเครียดมีความไม่สงบเกิดขึ้นอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเท่าไหรนะ่อาจจะเป็นของดีได้ซ้ำในการเอามาเป็นอารมณ์ในการภาวนาหรือในการใคร่ควรวนเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้มันก็สอนธรรมะได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใจไม่ยอมรับเมื่อมีอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น เขเนี่ยทุกเลยนะทุกเพราะหนุดทุกเพราะฟุ้งซ่านทุกเพราะหนุดหงิดทุกเพราะาใจไม่สงบนักปฏิบัติธรรมจานวนไม่น้อยเนี่ยทุกมีความทุกกว่าตอนก่อนปฏิบัติธรรมสิไม่ใช่เพราะว่าพอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันฟุ้งกว่าปกตินะอันนั้นก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าที่เป็นปัญหาหนักก็คือ มีความคาดหวังว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องสงบคนธรรมดาก็ไม่มีความคาดหวังแบบนั้นเพราะเขไม่สนใจแต่พอคนมาปฏิบัติธรรมก็มีความคาดหวังแล้วว่ามาเจริญสติมานั่งสมาธิใจมันต้องสงบพอมีความวุ่นวายมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมีความเครียดเกิดขึ้นใจไม่ยอมรับนะเพราะว่ามันไม่ตรงกับความคาดหวังยิ่งคาดหวังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ ไอสิ่งที่มารบกวนความเช่นความฟุง้งซ่านมากเท่านั้นทุกข์มากในะยางท่านบางทีถึงกับเจ็บกับป่วยแล้วก็มีบางทีทำไปแน่นหน้าอกปวดหัวไอพวกนี้มันเป็นอาการของคนที่ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของตัวพยายามไปบังคับควบคุมจิตให้สงบ พยายามบางังควบคุมจิตให้นิ่งพยายามที่จะผลักไสความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นเป็นการต่อต้านสวนทางกับความเป็นจริงก็เหมือนกับไปขวางน้ําเชี่ยวนะก็ยอมถูกน้ําเชี่ยวมันพัดพาไปแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากการยอมรับ ว, ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับหรือว่าวางใจเป็นกลางกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้อันเดียวกันคำว่ายอมรับเนี่ย กับวางใจเป็นกลางกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันฟุ้งซ่านก็เอ่ยรู้มันรู้เฉยเยไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรู้เฉยเฉยเพราะว่ามีความอยากอยากจะให้จิตสงบพอมันเกิดขึ้นเลยไม่ชอบเกลียดความฟุ้งซ่านเอาเกลียดแล้วก็พยายามกดขม่มพยายามผาบใส่ตอนนี้ก็ยิ่งเป็นทุกข์เมื่อมันไม่ไป แลที่จริงเนี่ยยิ่งกดข่มยิ่งผากสายมันก็ยิ่งดือ้อยิ่งท้าทายยิ่งต่อต้านเหมือนกับเด็กวัยรุ่นเนะี่ยยิ่งห้ามยิ่งยุกอันนี้พอมันอยู่มันไม่ยอมไปพี่ยิ่งทุกเข้าไปใหญ่เพราะว่าไม่ชอบมันในศาสพุทธการนี่มีเรื่องราวของพระเทระพระเทรีหลายท่านหนะ้าที่ที่ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่พบความสงบในจิตใจ ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อออชนะความทุกข์เพื่อจะได้ดับทุกข์นะแต่ว่าพอมีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่ทุกที่ไหนทุกที่ใจใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านยอมรับไม่ได้ก็เลยท้อในการปฏิบัติธรรมเหมืกับฆ่าตัวตายแขวนคอบ้างเอามีดกรีดคอบ้างนะแต่ว่าบรรลุธรรมนะเพราะว่า ตอนที่กำลังจะตายหรตอนที่เจ็บปวดมากเนี่ยเห็นทำเห็นเลยว่าโอสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งยอมรับ ว, ว่าพอเห็นว่าสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งในใจมันยอมรับได้เกิดปัญญาขึ้นมาหลุดพ้นเลยหลุดพ้นในขณะที่สิ้นลมอันนี้จะเห็นได้ว่าในการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสําคัญมากถ้าไม่ยอมรับแม้แต่เรื่องที่ ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรก็ทําให้ทุกทรมานได้เคยเจอพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่นีท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมมากนะอยากได้ความสงบอยากได้ความรู้สึกตัวอยากได้ความอยากให้จิตมันตื่นนะแต่ว่าทําปฏิบัติมาเป็นปีเป็นปีก็ยังไม่รู้สึกว่าจิตมันสงบไม่รู้สึกว่าจิตมันตื่น จิตจิตของท่านก็ไม่ได้ยยมแยวจิตของคนอื่นนะอาจจะดีกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติด้วยซ้ําแต่มันไม่สงบอย่างที่ท่านคาดหวังหรือว่าจิตมันไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวอย่างที่ท่านคาดหวังคนนั่นคนนี้เขาบอกว่าจิตเขาตื่นจิตเขารู้สึกตัวเห็นรูปนามแต่ตัวเองยังไม่เห็นเลยก็มีความน่าตามหม่นหมองมากมีความทุกข์มากตัดพ้อว่าตัวเองทำความดีนะ ให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมมาทำไมถึงต้องทไมถึงไม่กล้าหน้าในการปฏิบัติฟังน้ำเสียงแล้วเนี่ยทอ้อแท้กับการปฏิบัติมากหรือถึงกับทอ้อแท้ในการดำเนินชีวิตในเพศพระถ้าทางดูแล้วนี่มีความพิจากจะศึกด้วยซ้ำดูเห็นหน้าตาความรู้สึกแล้วเนี่ย มันไม่ต่างจากวัยรุ่นนะที่เป็นสิวไม่กิเนเะน็ตแล้วก็มีความท้อแท้กับชีวิตมีความกุ้ม อ, อกกุ้มใจทั้งนั้นที่คนละเรื่องเลยนะคนนึงมีสิวนะอีกคนหนึ่งปฏิบัติทำแล้วจิตมันไม่ไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวไม่สงบอย่างที่คาดหวังแต่พอทําด้วยความแต่พอใจปฏิเสธเหมือนกันแล้วนะความทุกข์เดือกับกิริยาที่แสดงออกมันก็คล้ายกันท้อแท้ขดผูก เครียดนะ Create, นะแล้วก็งทีมีความมีโทสะอยู่ข้างในลึกๆถ้าไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผลก็ออกมาเหมือนกันคือมีความทุกขนะ์และที่ไม่ยอมรับก็เพราะความคาดหวังมันมากเกินไปนะปฏิบัติทำด้วยความคาดหวังมากๆนี่ก็พอไม่เป็นไปอย่างที่หวังก็ไม่ยอมรับนะปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะฉันเนี่ย สิ่งที่ควรทำก็ไม่ใช่ว่าหนีไม่ให้สิ่งต่างๆที่ไม่ถูกใจมันไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่ามันหนีไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำคือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันวางใจเป็นกลางมันฟุ้งซ่านก็ดูมันไปมันเครียดก็เออก็รู้มันอย่าไปเป็นศัตรูกับมันอย่าเป็นปฏิปักษ์กับมัน แค่รู้แค่ดูมันเฉยๆยอมรับมันวางใจเป็นกลางไม่ยอมรับนี่ไม่ได้แปลว่ายอมจำนนนะมันต่างกันเหมือนกับเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าเราป่วยแล้วนะอย่าไปมัวแต่ตีโพลตีพายว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นแต่าไปมัวอดโอยยอมรับมันเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ยอมจำนนหมายความว่าอะไรที่มันสามารถจะ ทำให้ดีขึ้นได้มีวิธีการไหที่สามารถรักษาได้ก็รักษานะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ควรทำถ้ารักษาได้แต่บางอย่างมันทำอะไรไม่ได้แล้วเช่นการสูญเสียคนรักจากไปแล้วไม่สามารถจะเอาฟื้นขึ้นมาได้ก็ต้องยอมรับอย่างเดียวทำอะไรอื่นไม่ได้นอกจากออหาโอกาสหาวาระโอกาสในการอุทิศสมบูรณไปให้เขา หรือว่าเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตหรือว่าพยายามทําความดีของเขาให้แพร่หลายนะสืบสารคุณงามความดีของเขาให้ยืนยาวไปหรือให้รกระจายกระจายให้กว้างไกลนี่คือสิ่งที่สามารถทําได้แต่ว่าต้องเริ่มต้นจากการที่ยอมรับความจริงก่อนอย่างที่พูดเมื่อวันก่อนว่าเนี่ยผู้หญิงที่สูญเสียสา ม, มีแล้วก็ไม่ยอมรับ ก็ยังทําอาหารเช้าให้ให้สามีกินเอามาวางไว้หน้าบนโต๊ะหน้าเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่เป็นประจำหรือว่าโทรศัพท์เข้าเบอร์เข้าอยู่ทุกวันเนี่ยทุกมากนะเพราะไม่ยอมรับความจริงแต่พอยอมรับความจริงได้นี่มันหลุดเลยนะความทุกข์มือนก็ว่ามันปล่อยมันวางได้ชการฝึกใจให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือการทำใจวางใจเป็นกลางนะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าเกิดขึ้นนอกตัวเราหรือเกิดขึ้นในใจของเราหรือเกิดขึ้นกับตัวของเราร่างกายของเราเนี่ยสิ่งสําคัญมากแต่ใจมันก็จะไม่ใช่ทํำได้ง่ายๆเพราะใจมันจะปฏิเสธใจมันจะผลักสายตลอดเวลาเรากต้องมีสติรู้ทันรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ทําใจเป็นกลางเอาละชานี้ก็พูดกันเท่านี้นะะครับ